ันนี้เข้ามาเยอะแหงตอนนี้ตอนนี้รปดครับอาจารย์รยไปสิซนมีคำถามไหมวันนี้จะตอบคำถามก่อนเลยไม่รู้จะพูดอะไร เ, เ, เดี๋ยวเอาคำถามเข้ามาได้เลยนะใครอยากจะถามมีใครอยากจะถามอะไรไหม ทางบ้านถ้าต้องการถามคำถามส่งมาได้เลยนะครับวันนี้อาจารย์จะตอบคำถามให้ก่อนนะครับมันมีมงคลอยู่สองอย่าง มงคลอย่างหนึ่งเรียกว่าทำธรรมอธรรมะการฟังธรรมธรรมะสวรรคเอตัมมังกัลลมุตตมังการฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งส่วนอีกอันหนึ่งเรียกว่าธรรมสากัดช้าเอตัมมังกัลลมุตตังธรรมสากัดช้าแปลว่าการสนทนาธรรม ถามตอบกันเพราะการแสดงธรรมนี้มันเป็นเป็นวันเวฮะมีคนพูดกับมีคนฟังนีคนพูดอาจจะพูดไม่ชัดเจนคนฟังอาจจะไม่เข้าใจก็ต้องมีธรรมสะสากัดช้าคือมีการถามตอบกันฟังเทศไปแล้วอาจจะไม่เข้าใจก็เลย ต้องถามกันอย่างคําถามที่เห็นถามบ่อยๆที่ยังไม่ได้ตอบก็คื อ, อปฏิจจส ม, มุปบาทอันนี้จะลองตอบดูหน่อยมีเวลาว่างปฏิจจส ม, มุปบาทนี้ท่านแสดงการการทํางานของกิเลสอมวิชาอาวิชชานี้คือกิเลสที่เป็นหัวหน้าของกิเลส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 เพราะปัจจัยก็คือกระตุ้นกระตุ้นให้สังขารความคิดปรุงแต่งคิดไปในทางไปหารูปเสียงกดลดิ่นรสเนี่จะไปหารูปเสียงกดลิ่นรสได้ก็ต้องผ่านวิญญาณวิญญาณนี้จะเป็นผู้ส่งส่งจิตไปเชื่อมกับตาหูจมูกนิ้กายจิตนี้เป็นเหมือนคนเหมือนคนคนหนึ่ง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 อายะตนะอายะตนะภายในก็คือตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อไปเชื่อมกับอายะตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภพะฑ์เมื่อเชื่อมกันก็มีการสัมผัสตาสัมผัสกับรูปหูสัมผัสกับเสียงอยพอสัมผัสกันก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาเห็นรูปก็จะเกิด เวทนาความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเห็นรูปดีก็เกิดความสุขเวทนาเห็นรูปไม่ดีก็เกิดความทุกขเวทนาเห็นได้ยินเสียงลมกลิ่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าตัวเนี่ยพอมาสัมผัสแล้วก็จะเกิดความรู้สึกที่ใจขึ้นมาเวลาเราเห็นอะไรที่เราชอบเราก็มีความสุข อะไรที่เราไม่ชอบเราก็มีความทุกข์เวลาได้ยินเสียงที่ดีเราก็มีความสุขได้ยินเสียงไม่ดีเสียงเด้งเสียงดังอึกกระทึกขึ้นโคมโดกหูยอันนี้ก็เสียงไม่ดีก็เกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาเมื่อเกิดความรู้สึกเกิดเวทนาแล้วก็จะเกิดตัญหาความอยากขึ้นมา รถ้าเห็นเห็นรูปที่ที่ดีที่ชอบก็อยากให้รูปนั้นอยู่ไปนานๆถ้าเห็นรูปที่ไม่ดีที่ไม่ชอบก็อยากจะให้มันหายไปเร็วๆนีพอเกิดเวทนาแล้วมันก็จะเกิดอ่ะเกิดตัณหาแล้วก็จะเกิดอุปาทานเกิดความยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบอเกิดความยึดมั่น ความรังเกียจในรูปเสียงกิียดนอสที่ไม่ชอบนะก็ทำให้เราต้องไปตามติดกับรูปเสียงกิีนอสเกิดเป็นพบขึ้นมาภพก็คือสมมติว่าร่างกายนี้ตายไปก็เรายังติดอยู่กับรูปเสียงกิียดน อ, ดอยู่เราก็ไปเกิดใหม่เนี่ยคือการทำงานของใจที่ถูกกิลเลส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 พอไปอยู่ที่สงบไปนั่งสมาธิใจก็เกิดความสุขขึ้นมาอีกแบบหนึ่งความสุขนี้เป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ใช่ไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายก็ <c oughs> <c oughs> จะทําให้ไม่มีตัณหาความอยากหารูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเมื่อไม่มีความอยากายาก็จะ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 เราเรามีสมมีสมาธิมีปัญญาเราก็ปล่อยวางอุปทานได้ปล่อยวางละตันหาความอยากต่างๆได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายอีกต่อไปไม่มีร่างกายเราก็ไม่เดือดร้อนาะเราไม่ต้องใช้ตาหูจมูกวลี้งกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราใช้การนั่งสมาธิการทำใจให้สงบ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 เพราะยังติดกับลูกเสียงกลิ่นรสยังต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายถึงจะหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสได้แต่ความสุขของลูกเสียงกลิ่นรสก็เป็นความสุขชั่วคราวปะเดียวปะดาได้มาแล้วก็หมดไปกินกาแฟปั๊บมันก็หมดไปเดี๋ยวก็อยากจะกินใหม่ดูอะไรปั๊บเดี๋ยวมันก็หมดไปตรแล้วก็อยากจะดูใหม่ความอยากมันจะไม่มีวันหมด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 พอเรารักษาศีลแปดได้นั่งสมาธิได้เจริญปัญญาตัดความอยากต่างๆได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายแก่เราก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายตายเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วตายแล้วเราก็ไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่อีกเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วเรามีความสุขจากการทําใจให้สงบ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 งแต่ว่าท่านอยู่แบบไม่มีร่างกายเหมือนพวกเราพวกเราอยู่แบบมีร่างกายอยู่แบบทุกข์ท่านอยู่แบบไม่ทุกข์เพราะท่านไม่มีร่างกายตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือร่างกายนี้เองพองเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องปากกัดตีงถิบหาหาปัจจัยสีมาเลี้ยงร่างกายแล้วยังต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย คนฉลาดคนที่มีปัญญาคนที่มีวิชาก็เลยไม่มีร่างกายด้วยการมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปดนั่งสมาธิเจริญปัญญาเพื่อทำให้ใจสงบตลอดเวลาเพื่อทำให้ใจมีความสุขตลอดเวลานี่ก็คือเรื่องของปฏิจจสา ม, มุปบาทมีคำถามเข้ามาอยังขมครับอเข้าขมาเลย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 มันไม่ควรจะหยุดพุโทโธควรจะพุโทโธไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันมันหยุดกึกลงไปของมันเองมันตกลุมตกบ่อเนีแล้วมันก็จะนิ่งทุกอย่างก็จะหายไปหัวจงหัวใจเต้นอะไรนี่ก็จะไม่มีไม่มีไม่รับรู้อะไรเหลือแต่ผู้รู้ตัวรู้อยู่ตัวเดียวฉะนั้นอย่ า, อ ย, าอย่าขี้เกียจพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดให้มันหยุดของมันเองเราอย่าไปหยุดมัน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 คำถามจากคุณอยู่กับปัจจุบันนิพพิทาต้องรู้สึกเบื่อขนาดไหนคะก็เบื่อแบบไม่อยากได้เบื่อเงินเบื่อทองใครจะให้เงินมาก็ไม่เอาเมาแล้ววุ่นวายแต่ไม่ได้เบื่อแบบทุกนะเบื่อแบบสุข ก, ก็ไใช่ไหมคือไม่มีเงินทองฉันก็อยู่ได้แต่ไม่เดือดร้อนฉันไม่ต้องใช้เงินใช้ทองได้มาแล้ววุ่นวายลำคาญ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 ล้วนเป็นมายาแล้วอะไรคือความจริงในโลกนี้และความดีความไม่ดีเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ไหมครับของทุอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วข่าวทั้งนั้นเป็นอนิจจังเป็นสมมุตินความจริงไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเชื่อและเพียงแต่ว่าเราไปโยงกับอตัวเราอันใดที่ทําให้เรามีความสุขเราก็ว่ามันดีอะไรที่ทําให้เราทุกเราก็ว่ามันไม่ดี แต่ความจริงของทุกอย่างในโลกนี้มันให้เราทั้งสุขทั้งทุกข์เพราะว่ามันมีเจริญมันมีเสือ่อมเวลาเจริญมันก็ให้ความสุขกับเราเวลามันเสือ่อมมันก็ให้ความทุกข์กับเราดังนั้นไม่มีอะไรที่เป็นของแท้จริงในโลกนี้ของทุกอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปหมดมีของแท้จริงอยู่ตัวเดียวก็คือใจของเราเองและความสงบที่เรา ได้จากการปฏิบัติธรรมนี่อันนี้จะเป็นของแท้ของจริงเพราะมันจะไม่เป็นของที่จะหายไปมันจะเป็นของที่จะอยู่กับเราไปตลอดคำถามจากคุณนิชาพานะครับจะทำใจอย่างไรเมื่อต้องไปส่งสามีที่ทราบว่าเขาไปเรื่องการพนันกับเพื่อนๆ น, นเขาดิฉันจะวางใจอย่างไรเพราะดิฉันไม่ชอบให้สามีไปเรื่องการพนันแต่ห้ามไม่ได้ ก็คิดว่าเขาไม่ได้เป็นสามีเราแล้วกันเป็นเพื่อนกันรูน้จักกันอยู่ด้วยกันอาศัยกันไปอาศัยกันมาที่เราไม่สบายใจเพราะเรากลัวเขาจะเสียเสียแล้วเราจะเดือดร้อนเพราะเรายัางต้องพึ่งเขาเรายัางต้องพึ่งเงินทองของเขาอยู่ถ้าเขาเอาเงินทองของเขาไปเล่นเสียเราก็จะไม่มีเงินทองใชเ้เราก็เลยไม่สบายตรงนี้มากกว่า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 สมบัตที่ถูกสุขลักษณะคืออาหารไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยต่อร่างกายแล้วก็พอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอย่างวันละมื้อนี่เรียกว่าอาหารสองก็เรื่องอากาศอากาศก็คืออากาศที่เราอยู่นี่มันมีทั้งอากาศที่ดีกับอากาศไม่ดีควันพิษนี่ไม่ดีอย่าไปอยู่ใกล้โรงงาน ที่มีกิ่นน้ำมันกิ่นอะไรต่างๆเราสูตรของพวกนี้เข้าไปก็ทำให้ร่างกายเราสะสมแล้วอาจจะเป็นมะเร็งขึ้นมาได้นะรอารมณ์อาหารอากาศแล้วอันที่อที่สามก็คืออารมณ์เราต้องทำใจให้เรามีอารมณ์ดีอย่าไปวุ่นวายอย่าไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆต้องรู้จักทำสมาธิต้องรู้จกักปลงรู้จักปล่อยวาง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 อพยายามอย่ามีความเครียดต้องมีอารมณ์ดีมีอาหารดีมีอากาศดีมีอารมณ์ดีเอเรามีอันความจริงไม่ใช่ห้าอจําได้ก็ส่สี่อออสุดท้ายก็ต้องอุจจาระก็ต้องถ่ายดีอต้องถ่ายทุกวันมันไม่เป็นไม่ไ ม, ไม่ไม่ท้องผูกเนี่ยจะได้ไม่เป็นอ่าเป็นอะไรฤทธิดวงถวาวร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 แล้วเราก็จะมีอารมณ์สบายมีอารมณ์ดีพระอาจารย์ครับไม่ทราบว่าเกี่ยวกับอ่าเล่นสุขภาพไม่ทราบว่าเกี่ยวกับที่พระอาจารย์ไม่รับกิดนิมนต์ไปไหนด้วยไหมครับไม่ต้องเดินทางมันก็มีส่วนนะเพราะว่าไปไหนมาไหนมันก็ต้องเดินทางหน<ม>ึ่งสองเวลาพักผ่อนก็อาจจะไม่พอสามเวลาออกกําลังกายก็ไม่มีอันนี้เอกอัอหนึ่งลืงไปออที่ห้าคือออกกาลังกาย อันนี้ก็สำคัญนะครับถ้าไปเดินทางส่วนใหญ่ก็จะนั่งรถกันไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วพอไปถึงที่ที่ออกกำลังกายก็ไม่มีเขาไม่มีที่ให้เราเดินจงกรมกันหรอกไปที่กิจนิมนตถ้าอยู่ที่วัดนี่มันมีที่เดินจงกรมแล้วบินทบาทก็ได้ออกกำลังกา ย, ยถ้าไปรับกิจนิมนก็ไม่ได้บินทบาทเด็กดูเสืพอผที่แม่ที่รับกิจนิมนตส่วนใหญ่นี่เนื้อหนังนี่อ้วนทวนนะ แต่เละเหมืมันหมดไม่มีกล้ามเนื้อเลยเพราะมีแต่นั่งมีแต่กินมีแต่นอนไม่ได้ออกกำลังกายกันนี่คือห้าออเหลืเลืมออกสุดท้ายเลยออกกำลังกายเ อ, อันนี้คำถามจากคุณปัตมาปัตมานะครับจิตที่นิ่งเป็นสมาธิเราควรนึกถึงพุโทโธอย่างเดียวใช่ไหมครับ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 มาทำอย่างไรคะและพระอาจารย์พักบนเขาเคยมีสิทธ์ตัดสัปปะมาเยี่ยมไหมคะถ้าท่านถ้ามีท่านทำอย่างไรก็แผ่เมตตาเนี่ยก็เฉยๆเขามาก็ปล่อยเข้ามาไปเขาก็เป็นเหมือนคนธรรมดาเอย่างทั่วไปถ้าเราไม่ไปทําอะไรเขาเขาก็ไม่ทำเราเวลามา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 มีพษิษมีภัยอะไรกับเราแล้วเพราะเราไม่ได้เป็นอาหารของเขาส่วนใหญ่ความกลัวกันเนี่ยทําให้ต่างฝ่ายต่างต้องมาปะทะกันมาต่อสู้กันเพราะกลัวว่าเขาจะทําเราแเราก็ต้องทําเขาก่อนแต่ถ้าถ้าเราเรานิ่งที่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็เขาก็ไปเองอย่างที่หลวงปู่ชอบนี่ท่านชอบเดินจงกรมเดินทุ่งตรงตอนกลางคืน มันเย็นมันสบายก็ฟังวันเวลาเดินท่านก็จะมีตะเกียงทําด้วยผ้าโคมผ้าแล้วก็มีมีเทียนไขอยู่ในในโคมผ้านั้นท่านก็เดินไปแล้วท่านก็ใช้สติประครับประคองการเดินของท่านเหมือนกับเดินจงกรมไปพุโทโธพุโทโธไปถ้าว่าคืนหนึ่งท่านไปเดินเจ้าเอ๋ไปเจอเสือเลยไปเจอกันหน้าตอนะ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 มีความกลัวมีอะไรเนี่ยพอเห็นปั๊บนี่มันถ้ามีสติมันก็จะดึงจิตดึงใจเข้าสู่ความสงบถ้าไม่มีสติมันก็จะตลอดเปิดโปรงก็จะโดนเสือกัดตายถ้าจะเอ๋แล้วตกใจกลัววิ่งหนีเนี่ยโดนมันตะคุบแน่ๆแต่ถ้าเจอมันแล้วยืนเฉยๆมันจินรวมก็ไปหรือถ้าเราไม่กล้ามองมันก็หลับตาพุโทโธพุโทโธไปยืนเฉยๆไม่ต้องทาอะไร ในเวลาเรานั่งอยู่เราได้ยินเสียือเสียงเสือคำรามเนี่ยเรก็พุโทโธพุโทโธภาวนาของเราไปมันไม่มาทํำลายเร า, เราคําถามจากคุณโบสทนะครับตัวสี่เหล่าขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่ติดตัวมาด้วยหรือเปล่าครับก็อยู่ที่บุญบุญที่เราทํามานะบุญกรรมก็ถูกับบุญกรรมต่างๆที่เราทํามานีจะจำแนกให้พวกเรา เป็นบัวต่างชนิดกันถ้าเราเป็นพวกทีอ่อยู่กับพวกที่ไม่เคยเชื่อไม่ศรัทธาในศาสนาไม่ไม่ชัดไม่มีศรัทธาความเชื่อในบุญในกรรมเหมือนคนสมัยใหม่ยุคนี้เห็นนะพวกที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์พวกที่เรียนรู้ทางโลกเขาบอกเออสวรรค์ไม่มีหรอกนรกไม่มีหรอกทําบุญก็ได้อะไรทําบาปก็ไม่มีผลอะไร หายไปก็ศูนยะ์พวกนี้เป็นบัวต่ํำสุดเป็นบัวอยู่โคนอยู่กับโคนกับตมพวงนี้จะไม่มีวันที่จะเจริญเติบโตในทางจิตใจได้เพราะว่าเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนะี่ยเขาก็เลยไม่ทําบุญและจะทําบาปกันเพราะการทําบาปมั น, ม, นมันกว่าการทําบุญนะนะเวลาทําบุญนี่เสียเงินนะทําบาปเอาเงินไปเที่ยวไม่ดีกว่านะ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 ตัวนี้เป็นพวกบัวเหล่าที่สามพวกบัวเหล่าที่สี่ก็เป็นพวกที่นั่งสมาธิได้แล้วจิตรวมได้แล้วเริ่มพิจารณาทางปัญญาแล้วอริจังทุกขังอนัตตาพอเห็นอริจังทุกขังอนัตตาปั๊บก็ปล่อยได้ปล่อยวางได้ละตันหาความอยากได้ก็บรรลุได้ตัดสับรรุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ นี่ก็คือพวกบัวสีเ่เหล่าซึ่งเราอาจจะเคยสะสมมาเท่าเล็กเท่าน้อยชาติก่อนเราเคยทําบุญทําทานรักษาศีลมาชาตินี้เราก็มาทําต่อแล้วถ้าเราอยากจะก้าวให้ขึ้นสู่ขั้นสูงกะเราก็ต้องมาเจอคนที่เขาถือศีลแปดกันคนที่นั่งสมาธิกันแล้วเขาก็อาจจะชวนเราหรือเราเห็นว่าไอ้เขาทําดีก็อยากจะลองทํากับเขาอย่างนี้เราก็จะพัฒนา จากการถือศีลห้าจากการเป็นนักบุญให้มาเป็นนักบวชต่อไปมาถือศีลแปดมานั่งสมาธิกันแล้วพอนั่งสมาธิบ่อยๆขยันตอนต้น อ, อาจจะนั่งแค่วันพระอยู่ยังยังเป็นนักบุญผสมนักบวชอยู่วันธรรมดาก็เป็นนักบุญเพราะยังต้องทำมาหากินยังหายังต้องหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็จะมาวัดปฏิบัติได้เพียงวันพระ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 อันนี้ทุกอย่างที่เราทำนี่มันจะติดตัวเราไปถ้าบาป ก, ก็เป็นนิสัยไม่ดีถ้าบุญก็เป็นนิสัยดีบุญแล้วก็เรียกว่าบุญบรารมี น, นิสัยไม่ดีบาปแล้วก็เรียกว่าวิบากวิบากกรรมพวกที่เกิดมาชอบเล่นไพ่เล่นการพ น, นันกินเหล้าเมายาเที่ยวผู้หญิงอะไรพวกนี้พวกนี้ก็เป็นพวกที่มีวิบากติดตัวมา พวกที่ชอบเข้าวัดทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกมีบุญบรารมีมาามาแล้วมันก็จะ พ, พัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสูงสุดพอเข้าถึงได้สมาธิปับ๊บแล้วพอได้ปัญญาปับ๊บมันก็จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้พอไม่มีกิเลสตัณหาแล้วก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป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 ไหมคะที่ฉันนั่งเขาไม่ลงคะ่ะขาจะชาเร็วต้องทำอย่างไรคือถ้าสำหรับผู้ที่เป็นมือสมัรเน่นนี่ก็ไม่จาเป็นก็ได้จะนั่งท่าไหนก็ได้เพราะนั่งไม่นานพวกที่เขานั่งคัดสมากันนี่เขาจะนั่งกันเป็นหลายๆายชั่วโมงถ้านั่งท่าอื่นนี่มันจะร่างกายมันจะไม่ไม่มไม่แน่นหนาะมัน่นคงมันเดี๋ยวเอนล้มไปได้ ถ้านั่งคณายข้าขัดสมาดนี้มันจะไม่มีวันนมนะยังสำหรับผู้ที่เขาปฏิบัติจริงๆจังจังนั่งทีละหลายชั่วโมงเขาจะหัดนั่งขัดสมาดกันแต่ถ้าผู้มูสมัครเล่นพอนั่งหอมปากหอมคอครั้งละห้านาทีสิบนาทีนี้นั่งท่าไหนก็นั่งไปเถิดมันก็ไม่ได้อะไรมากกว่าเท่าไหร่หรอกคาถามจากคุณหนิง เดินจกงกรมวันละครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงติดต่อกันมาตั้งแต่สิงหาคมจิตยังไม่เข้าถึงฌานแต่สภาพจิตรู้สึกว่าดีขึ้นมากความหงุดหงิดน้อยใจความอยากต่างๆลดลงค่ะมีความรู้สึกว่าจิตมีความสุขกับตนเองแบบนี้ถือว่าดีขึ้นใหมคะแต่นั่งไม่ถึงความสงบเงียบก็ยังปฏิบัติน้อยไปค่ะ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 ให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นร่างกายกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินร่างกายกำลังกินอาหารก็ให้อยู่กับการกินอาหารอยากกินอาหารไปแล้วไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปให้อยู่กับเรื่องกินอาหารอย่างเดียวเช่นเวลาตักข้าวก็รู้กำลังตักข้าวเวลาเอาเข้าไปในปากก็รู้เอาเข้าไปในปากกาลังเคี้ยวก็รู้ว่ากาลังเคี้ยวกาลังเกินก็รู้ว่ากาลังเกน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 แต่พ่อพ่าเพียรมันก็ยังไม่มันไม่เสถียรมันมันมันมันยังเอ็นอะไรได้อยู่แล้วมันมันเยี้ยวไปด้านหนึ่งอ่ะมันไม่เหมือนกับท่าคัสมานี่มันเป็นท่าที่อา่าเขาเรียกว่าอะไรสมดุลฮไม่หนักไปทางซ้ายไม่หนักไปทางขวาคำถามจากคุณตังนะครับผมนั่งสมาธิมานานแล้วแต่ไม่เคยสงบเลย พองพุโทโธดูลมหายใจแต่ใจก็ยังไม่นิ่งพอมีวิธีอื่นใหม่ครับที่จะทำให้ใจสงบได้บางทีก็ต้องไปอยู่ที่มันบังคับให้เราต้องพุโทโธจริงๆอ่ะเช่นบางทีพระเขาต้องไปพระเขาอยากจะให้มีสติบางทีเขาต้องไปอยู่ที่น่ากลัวไปอยู่ในป่าช้าเนี่ยพอใจมันจะไปคิดถึงเรื่องผีก็ต้องบังคับให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเพราะถ้าไปคิดถึงผีเดียวมันก็ กลมากมมันก็อยู่ไม่ได้เฉะนั้นถ้าจะอยู่ในป่าช้าได้ในต้องมีสติมากๆะเวลามันจะคิดถึงผีก็บังคับให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปสวดมนต์ไปบางทีต้องมีเหตุการณ์มาบังคับให้เราอยู่กับพุโทโธไม่งั้นเราจะไม่อยู่ใจมันจะชอบลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เรื่อยเพราะฉั้นบางทีเนี่ยพระที่ไปทุ่งดงกันก็เพราะว่าต้องการที่จะไปฝึกสติกันไปอยู่ในที่มันน่ากลัว แล้วจะได้บังคับให้มันหยุดคิดในเรื่องที่น่ากลัวต่างๆเพราะถ้ามันคิดแล้วมันก็จะทนอยู่ไม่ได้คำถามจากคุณแมวเหมียวเวลานั่งสมาธิแล้วจิตสงบนิ่งคำว่าพุโทโธหายไปแต่จิตไม่ได้ตกหลุมตกบอก่ออันนี้หมายความว่าจิตยังไม่รวมใช่ไหมคะ ดังนั้นเราจะต้องกลับมาท่องพุทโธต่อไปเรื่อยๆจนจิตตกหลุมตกบ่อถูกต้องหรือไม่คะออถูกต้องอย่าไปหยุดบานทีเราขี้เกียจนั่งไปสักพักหนึ่งขี้เกียจพุทโธออมันเบามันสบายก็เลยหยุดแต่มันยังไม่รวมคำถามจากคุณป้าน้อยถ้าเราวางทุกอย่างออกปฏิบัติทิ้งครอบครัวไปเลยแบบนี้ถูกหรือผิดเจ้าคะใจตัวเองอยากออกปฏิบัติ แต่ห่วงแม่ทำอย่างไรดีเจ้าคะ่ะภาวนาที่บ้านก็ไม่ได้เพราะไม่สงบคือมันมีสองประเด็นนะคือประเด็นหนึ่งเรามีความรับผิดชอบหรือเปล่าเราไม่น่าที่จะต้องอทำกับใครหรือเปล่ า, าถ้าเรายังมีหน้าที่อยู่แล้วเราทิ้งไปมันก็เหมือนกับว่าเราบกพร่องในหน้าที่ของเราแล้วประเด็นที่สองถ้าเราสมมติว่าถ้าเราตายไปนี่เราบกพร่องหรือเปล่า ถ้าเกิดวันนี้เราตายไปเราเลี้ยงแม่ไม่ได้นี่เราบาปหรือเปล่าเราผิดหรือเปล่ามันก็ไม่บาปมันก็ไม่ผิดนี่มันเปนก็เป็นเรื่องของการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาเพะฉะั้นเรื่องของการไป บ, บวช น, นี่ไม่ถือว่าเป็นบาปเป็นบุญเพียงแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราบกพ่องในหน้าที่ของเราหรือเปล่าถ้าเรายังอยากจะทําหน้าที่ของเราอยู่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 เวลาจะเวลาจะให้มันเข้านี้ต้องนั่งนั่งยูนั่งอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวแล้วดูลมหายใจอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าไปคาดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับพุทธโธให้อยู่กับลมไปเพียงอย่างเดียวคำถามจะคุณขันติพงการพิจารณาเห็นเหตุแห่งทุกข์แล้ววางแต่เมื่อ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 คำถามจากคุณพยูวิทย์นะครับถ้าเรานั่งสมาธินั่งไปนานๆแล้วรู้สึกปวดมากจนไม่มีจิตใจกำหนดพุดโทโธควรจะทำอย่างไรเจ้าคะ่ะก็แล้วแต่ทำยังไงก็แล้วแต่จะให้ทำยังไงล่ะก็คุณเป็นคนนั่งคุณก็ลองไปคิดดูเลยถ้านั่งต่อไปได้ก็นั่งต่อไปสู้มันต่อไปพุโทโธมันต่อไปอย่าลุกเอ่า บางทีนั่งถึงจุดนั้นแล้วก็ไม่มีกติกกระจายจะพุโทโธแล้วมันจะลุกอย่างเดียวอย่างนั้นมันก็คงจะนั่งต่อไปไม่ได้ถ้านั่งต่อไปได้มันก็อาจจะสงบได้ถ้าเราพึดสู้ขึ้นมาเอา้าพุโทโธไปไว้ไม่ลุกอพุโทโธพุโทโธต่อไปไอ้มันขาดใจตายไปกับพุโทโธเลยวะมันต้องดุยแบบนี้มันถึงจะมันถึงจะสงบได้คำถามจากคุณ เขมกุลชายานะครับการที่เราถือศีลแปดเกือบทุกวันทําสมาธิมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ตัดความอยากไปได้หลายอย่างเช่นแต่ก่อนตั้งดื่มกาแฟตั้งแต่ฟังพระอาจารย์ก็หยุดไปเลยแบบนี้พพชาติจกพอลดไปได้บ้างหรือไม่เจ้าคะ่ะหรือต้องปฏิบัติจนถึงที่สุดเสียก่อนพพชาติจึงจะได้ลดลงไม่หรอมันเริ่มลดลงไปตามปริมาณของความอยากนะ อยากน้อยลงไปพบชาติก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่จากก็ก แ, แสนล้านชาติกาจะเหลือแค่หมื่นล้านชาตินะมันก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆดีกว่าไม่ลดเลยแล้วอยากกลับไปกินใหม่ก็แล้วกันนะพอวันหลังวันดีคืนดีรู้สึกคืมฟ้าคืมฝนขึ้นมาก็เอาเอามาันชักแก้วเดี๋ยวพอเอาแล้เดี๋ยวติดใหม่ก็ช่วยไม่ได้นะก็ะกลับไปเพิ่มพดพบชาติอีกเงี่ยช้าเลอกแล้วก็ต้องเลิกไปเลยอยากกลับไปหามันอีก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 มีข้อแนะนำอย่างไรให้ปัญญาคมยิ่งขึ้นจิตผ่องใสตลอดเวลานั่งนานอัพสัปดาห์ละสามถึงสี่วันอก็เพิ่มสติให้มีมากขึ้นแล้วนั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นแล้วออกมาก็พิจารณาปัญญาให้มากขึ้นบ่อยขึ้นต้องทำมากขึ้นไปเรื่อยๆต้องจนถึงขั้นทำทั้งวันทั้งคืนนะั่นะจะไม่ทำก็เฉพาะช่วงเวลาหลับเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นต่อไปมันจะ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 รู้เฉยๆแล้วปล่อยวางมันไปโดยมีสีสมาธิปัญญาเป็นเครื่องคัดกรองถูกต้องไหมครับถูกต้องให้รู้เฉยๆอย่าไปเกิดความอยากขึ้นมาอยากเกิดไปเกิดความอยากได้หรืออยากให้มันไปใจเราต้องเป็นกลางอย่าไปรักอย่าไปชังให้สัต่ว่ารู้ให้เห็นเฉยๆว่ามันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาคำถามจากคุณเปา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 เหมือนว่ายน้ำตอนต้นก็นหัดว่ายในสระก่อนอย่าเพิ่งไปไว่ายในทะเลฮหัดว่ายในสระไปก่อนพอเราว่ายเป็นแล้วเรามีกําลังเราก็ว่ายในทะเลว่ายไปไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปถึงเกาะเลยก็ได้ถ้าเรามีกําลังงั้นถ้าเราอยากจะไปทางนี้เราก็ต้องเริ่มต้นฝึกหัดแนละต้องหัดเข้าวัดถือศีลแปดนั่งสมาธิกันอฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญากัน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 ผู้สูงอายุที่สูญเสียความจำจะช่วยเขาอย่างไรให้ได้บุญเจ้าคะก็ช่วยเลี้ยงดูเขา่ะเขาลืมกินข้าวก็บอกถึงเวลากินแล้วลืมกินยาก็เอายามาให้เขากินเมื่อเขาทำอะไรด้วยตนเองไม่ได้เราก็ต้องช่วยเหลือเขาไปส่วนทางน้้นจิตใจนี้มันสายไปเสียแล้วถ้ามันลืมแล้วพูดอะไรมันก็จำไม่ได้ทาอะไรไม่ได้ พระพุเจ้าจึงบอกอย่าประมาทให้รีบมาปฏิบัติธรรมตอนที่ร่างกายยังสมบูรณ์อยู่ถ้ารอให้แก่แล้วมันจะไม่ไหวเงื่อมันจะทําไม่ได้คุณสายนะ้าถามว่าอยากให้พระอาจารย์เล่าเรื่องสมัยตอนที่อยู่กับหลวงตาครับไม่รู้จะมีอะไรให้เล่าก็ลองไปอ่านอประวัติของหลวงตาดีกว่า เราไม่ค่อยมีประสบการณ์อะไรมากก็เลย ไ, ไม่มีอะไรจะเล่าคำถามพ่อต่อไปจากคุณสายน้ำทำอย่างไรให้ชาติหน้าได้มีโอกาสเกิดในเมืองพุทธให้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเห็นบางคนแก่แล้วยังไม่เคยเข้าวัดทาบุญเกิดจากที่เขาไม่เคยทาบุญเมื่อชาติก่อนหรือครับและถ้าเขา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 เข้าหาบุญเข้าหาวัดอยู่บ่อยๆศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนพระพุทเจ้าอยู่บ่อยๆแล้วมันจะติดเป็นนิ ส, สัยไปพอชาติต่อไปถ้าเราได้เจอกับวัดเจอกับศาสนาเราก็จะเข้าหาศาสนาแล้วเราก็จะสามารถศึกษาให้เพิ่มมากขึ้นปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้นได้เนเรื่องของอนาคตนี้เราไปกาหนดไม่ได้ว่าเราจะไปเจอพระพุทธศาสนาหรือไม่ แต่เรื่องที่เรากำหนดได้ก็คือเราเตรียมความพร้อมของเราไว้เวลาเราเจอศาสนาเราก็จะได้เข้าหาศาสนาและปฏิบัติเพิ่มเติมต่อไปได้เห็นชาตินี้ตอนนี้เราเจอศาสนาแล้วเราก็รีบเข้าหาศาสนาเข้าศึกษาเข้าปฏิบัติให้มากขึ้นน้อมดีไม่ดีอาจจะไม่ต้องกลับมาเกิดเลยก็ได้ถ้าปฏิบัติจริงๆศึกษาจริงๆนี่พระพุทธเจ้าก็บอกแล้ว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 ชาติหน้ามันจะได้เจอพระพุทธศา ส, สนาอีกหรือเปล่าถ้าเจอแบบนี้ชาติหน้ามันก็เจอแบบนี้อีกแหละเจอมันก็ไปกังวลในชาติต่อไปว่าจะเจอเอีกหรือเปล่าแล้วตัวก็ยังก็ไม่เคยไปปฏิบัติอย่างจริๆงๆจังๆก็ยังไปหาความสุขทางตาหูจมูกมนิ้วกายอยู่ยังไปหาราบยศจนทรเสิร์นอยู่อะอย่างนี้ก็อย่าไปคิดให้เสียเวลาเลยคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ตอนนี้เราได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราสามารถรับรางวัลของพระพุทธศาสนาได้แล้วเพียงแต่เราต้องไปขึ้นรางวัลเท่านั้นเองก็เพียงแต่ปฏิบัติตามเท่านั้นเองศีล ส, สมาธิปัญญาแค่นี้เองซื้อศีลแปดนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาก็บรรลุได้แล้วเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี้สบายมาก มแต่มานั่งกังวลว่าเดี๋ยวชาติน่าจะเจอาศาสนาพุทธหรือเปล่าไปกังวลทำไมถ้าชาตินี้มัรดูแล้วไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปแล้วจะไปกังวลทำไมให้เสียเวลาเปล่าๆคำถามจะคุณอาาปานะครับคนที่ปรารินแล้วศึกมามีโอกาสถึงทำโลกุตระักใหม่ครับยากเนะพราะมันยังติด ติดเรื่องของทางโลกอยู่มากขณะไปเป็นพระยังยังไปทำผิดศีลได้แล้วเวลาไม่เป็นพระนี่มันจะยิงมันจะไปรักษาศีลได้อย่างไงการที่ไม่มาเป็นพระการที่เป็นกาลว่าก็แสดงว่าไม่มีเจตนาที่อยากจะรักษาศีลแล้วอยากจะหาความสุขจากกามะอยากจะมีเมีย ม, มีสามีอยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายแล้ว ท้งนี้ก็ไม่มีวันที่จะไปถึงพระนิพพานได้พวกที่จะไปนิพพานนี้ต้องไม่หาความสุขทางร่างกายต้องถือศิลแปดขึ้นไปให้ได้ต้องชอบอยู่วัดต้องชอบนั่งสมาธิเดินจงกรมชอบฟังเทศฟังธรรมอันนี้ถึงจะไปนิพพานได้พวกที่ประหลาเช่นนี้แสดงว่าเขาไม่ชอบทางนี้เขาชอบทางกลามอารมณ์เขาก็ไปทําเรื่องของทางกลางอารมณ์กัน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 เนี่ยมันจะไปกินได้ไงเห็นข น, นมแล้วก็อยากกินกันความมับขึ้นมาหรือว่ากินแบบไม่มีสติดีกว่าไอ้กินแบบว่าไม่มีความตั้งใจจะ ก, กินนี่เราไม่เชื่อหรอกมีความตั้งใจแต่ไม่มีสติเบรกมันเท่านั้นเองมันก็เลยเอความอยากมันเร็วกว่าสติมันความมั่ติดเข้าไปแล้วถึงจะมารวยถือศีลแปดหนัวกินไม่ได้ส่วนไอ้เรื่องที่ไปแตะเนื้อต้องตัวนะั้นไม่มีเจตนานี้อ่ยเชื่อะ อาจจะไปยืนเข้าแถวกันอะไรกันนี้ต้องว่าเข้าถึงให้แยกกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเข้าแถวหนึง่งผู้ชายเข้าแถวหนึง่งผู้หญิงกินอยู่มุมหนึง่งผู้ชายกินอีกอมุมหนึง่งไม่ให้อยู่ใกล้กันที่พักก็ให้อยู่กันคนละด้านถ้าอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดไฟลุกขึ้นมาได้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 การฟังนี้ได้ผลประโยชน์ตรงที่แล้วเราจะได้รู้วิธีปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้บรุธรรมกันถ้าไม่ฟังแล้วเราไปปฏิบัติก็จะหลงทางได้ทําไม่ถูกคําถามจะคุณเทมปุระทุกๆวันจะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกๆเช้าทําไมเวลานั่งสมาธิจิตชอบคิดเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมา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 ตั้งใจแปลว่าอธิษฐานถ้าเราตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะนั่งสองชั่วโมงล้วก็ต้องนั่งไปถ้ายังไม่ถึงสองชั่วโมงเราก็ไม่เลิกถ้าเราไม่ตั้งใจแล้วนั่งตามสบายพออยากจะลุกเราก็ลุกไปพระอาจารย์ช่วยอธิบาย อ, อการลงโทษตัวเองถ้าเกิดว่าทําตามอธิษฐานไม่ได้เลยครับเพื่อผู้ปฏิบัติท่ า, า, ทานอือ่นครับก็ลองทํำมาอตัดอะไรบางอย่างที่เราเ อ, อทําเช่นเราเ อ, อ เราเราอะไรเราเดื่มกาแฟอยเงี้ยแล้วพอเราพอเราไม่ทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้เราก็งดดื่มกาแฟไปสองวันสามวันก็ว่าไปลงโทษตัวเองถ้าเราดูละครเราเลิกดูสักสองสามวันในทำนองนี้ก็ตัดความสุขที่เราเคยทำที่เราเคยทำอยู่ออกไปเพื่อเป็นการลงโทษคำถามจากคุณอุบมาพร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 พอเป็นมนุษย์แล้วก็มาทําบุญทําบาปใหม่แล้วพอตายไปถ้าบาปมากกว่าบุญก็บาปก็จะดึงไปอบายแล้วพอบาปกับบุญมีกําลังเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คําถามจากคุณวชิราภรณเป็นผู้หญิงอยากออกปฏิบัติแต่ไม่มีเงินเก็บอย่างนี้จะอยู่วัดได้หรือได้ได้ก็เหมนบวชแม่ช<ๆ>ีก<ๆ>ันแม่ชีที่สําน<ๆ>ักต่างๆเขาก็ไม่ต้องมีเงินทางก็ได้ ก็มีบ้างสำหรับค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวแต่เรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอาหารการกินนี่เขาก็มีผู้มีจิตศรัทธาที่จะสนับสนุนยิงแต่เราต้องไปหาวัดหรือสถานที่ของสำนักไม่ชีที่เขารับพวกไม่ชีกันค่ะคำถามจากคุณพุธโธก็ผมขอแนวทางการปฏิบัติผมเห็นว่าความคิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทาให้ไม่อยากนึกคิดอะไร บางทีลืมชื่อเพื่อนบ่อยๆผิดถูกอย่างไรขอพระอาจารย์แนะนําด้วยครับอ๋อเรื่องความลืมชื่อนี่มันไม่ใช่เรื่องของความไม่คิดหรอกคิดหรือไม่คิดมันก็ลืมได้ถ้าเราไม่ได้ไป อ, อ่ติดต่อกับเขางานเข้าเราก็ลืมเขาได้แค่มไม่ได้อยู่ที่ว่าเราคิดหรือไม่คิดอะการที่ไม่คิดนี่เราก็ยังจําเขาได้อยู่ถ้ามันคนละเรื่องกันนะเรื่องสังขารกับเรื่องสัญญานี่เป็นคนละตัวกัน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 ที่จะอยู่กับมันได้ก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงมันปล่อยมันไปอย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหากับความความเหน็บชาของร่างกายคําถามจากคุณนุผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์นี่หมายถึงผู้ได้โสดาบานขึ้นไปหรือว่าต้องได้ขั้นอรหันต์เท่านั้นคะก็มีหลายขั้นขั้นสมาธิก็หลุดได้เหมือนกันแต่หลนได้ชั่วคราว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 การนั่งสมาธิก็เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งการรักษาศีกก็เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งคำว่าการกระทำความดีนี้มัน ม, นมหีหลายแบบหลายชนิดในการที่เราเรียกว่าบุญบุญในพุทธศาสนานี่มีอยู่สิบชนิดการทำความดีในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่สิบชนิดชนิดแรกก็คทานการเสียสละแบ่งปันสองศีลการไม่เบียดเบียนการไม่ทำบาป สามภาวนาการฝึกจิตให้สงบให้ฉลาดสี่การอุทิศบุญห้าการร่วมอนุโมทนาบุญหกการอ่อนน้อมถ่อมตนเจ็ดการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นแปดการมีความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงแล้วเก้า การฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการทําความดีสิทธการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นนี่คือการกระทําความดีของพระพุทธศาสนามีอยู่สิบประการด้วยกันคําถามจะกคุณรัต ด, ดา อ, อีกสักข้อไหมครับอาจารย์แล้วก็ให้ออของกันไหมครับได้ได้นะครับจากคุณรัต ด, ดาะครับอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายจะได้รับส่วนกุศลจริงไหมคะ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 เหมากับพวกขอทานพวกที่ไม่มีบุญติดตัวไปที่เราเรียวพวกเปะ น, นี่เป็นพวกที่ไม่มีบุญติดตัวไปก็เลยต้องมารอรับส่วนบุญส่วนพวกที่ทําบุญนี่เขามีบุญติดตัวไปเขาก็เป็นพวกเทวดาเขาก็ไปอยู่โรงแรมห้าดาวไปไปเที่ยวในระดับห้าดาวก็ไม่ต้องมาขอขอรอรับบุญของใครอ่าเดี๋ยวจะให้พรก่อนดีกว่านะแล้วค่อย ค่อยรับของต่ออีกทีเผื่อใครที่ได้ถวายของแล้วอยากจะกลับก็บไปได้ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากระังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปะ จันโทปนะราโสยะธามะนิโจติราโสยะธาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพรโควินาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาทนศีริสะนิจังวุธาปัจจายโน จตารธรมมวทาติอายุวโนสุขังภาลังอยากจะถอยเข้าของเรื่องมานับหนังสือซีดีก็เข้ามาได้นะที่ยังไม่ได้มาพวกที่มาแล้วอยากจะกลับก็กลับได้นะไม่ห้ามจะอยู่ฟังต่อก็ได้เดี๋ยวเราจะคุยอีกสักครึ่งชั่วโมง เดี๋ยวก็จะมีถามตอบปัญหาอีกหน่อยแล้วกมีคำถามเข้ามาอีกไหมมีครับอาจารย์วันนี้เยอะดีนะตอบอย่าง อ, างา เ, อาเลยอะมากอะไรชดชดช ด, ชดเชยวันก่อนครับคำถามจากคุณมินนี่นะครับการที่เราเจริญมรณานุสติเป็นประจำคิดว่าตัวเองต้องตายทุกครั้งที่นึกได้ถือว่าเป็นการสั่งสมบุญกุศลใหม่ครับเพราะไม่ค่อยได้ทำบุญทาทานเท่าไหร่ เป็นการสะสมปัญญาเป็นบุญขั้นสูงสุดคนที่จเจริญมานานสติได้ถือว่ามีบา ร, รมีมีปัญญาบา ร, รมีคนที่ไม่กล้าเจริญปัญญานี้ไม่กล้าคิดถึงความตายนี้แสดงว่ายังมีปัญญาบา ร, รมีน้อยคนเราจะหลุดพ้นได้ก็ต้องยอกตายกันเพราะความตายมันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัว สิ่งน้าที่น่ากลัวก็คือความกลัวตายดัยงนั้นถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเราจะไม่กลัวตายเราก็จะหลดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวตายได้คำถามจะคุณมาโนตนั่งแล้วบริกรรมพุทโธวางพุทโธไว้ที่ท้องประมาณสามสิบนาทีแล้วจิตรวมละคาบริกรรมแล้วรู้อยู่ที่ท้องถูกต้องไหมครับ การาอธิบายเพิ่มเติมได้ครับถ้ายังรู้อยู่ที่ท้องยังไม่ถูกต้องยังไม่สงบถ้าสงบแล้วท้องต้องหายไปต้องอยู่ที่ตัวรู้ต้องรู้อยู่ที่ตัวรู้เท่านั้นสักแต่ว่ารู้เวลาพุทธโธนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งไว้ที่ท้องหรอกให้ตั้งอยู่ที่พุทธโธคําเดียวให้อยู่กับคําว่าพุทธโธไปพอจิตรวมแล้วพุทธโธหายไปตัวรู้ก็จะโผล่ขึ้นมาแทนคําถามจะคุณสุ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 ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดาร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรานั้นอย่าไปยึดอย่าไปติดมันปล่อยมันเหมือ น, น, นกับตอนที่เราปล่อยในขณะที่เราอยู่ในสมาธิคำถามจากคุณ ช, ช, ช, ชินยุนแล้วกันนะครับเหตุการณ์อันคนที่เป็นที่รักเสียไปแล้วเราไม่เสียใจ รู้ถึงเหตุแล้วเข้าใจผลคืออะไรครับก็คือว่าเราเห็นว่าคนเราเกิดมาทุกันต้องตายไปเป็นธรรมดาไปเสียใจมันก็ไม่ได้ประโยชน์ให้เขาไม่ตายไปหยุดความตายของใครไม่ได้เสียใจไปก็โง่เปล่าเปลทุกไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรก็แต่โทษกับใจเราทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับเห็นถ้าเราเห็นความจริงแล้วยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามในที่สุดก็ต้องมีวันตายไปเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นความจริงก็นี่ก็เรียกว่าเหตุถ้าเห็นความจริงเป็นเหตุผลก็คือความสงบ ก, ก็จะตามมาใจจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆคําถามจะคุณย า, ยา่าหากเราให้อภัยและอโหสิกรรมให้เขาแล้วแต่เขาอาจจะยังโกรธแค้นเราอยู่แบบนี้จะเป็นอะไรใหมครับ เราอาจะไม่ได้ให้เขาอย่างแท้จริงอะไรสิถ้าเราอยากจะให้เขาอย่างแท้จริงเราต้องเอาของเอาข้าวเอาเงินเอาทองไปให้เขาเราทําใไรเสียหายให้กับเขาเราก็ไปชดใช้เขานถ้าเราชดใช้เขาได้อย่างเต็มที่เขาก็จะให้โหสิกับเราเองไม่ใช่ไปขอไปตีหัวเขาแล้วก็ไปขอขมาเอาดอกไม้ไปให้ก็พวงหนึ่งว่าขอขมาขอโหสิก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 ตอนนี้คำถามยังไม่มีเข้ามาเพิ่มครับอาจารย์ได้ขอพักเดี๋ยวคำถามมันเยอะแล้วเ อ, อ, อถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะได้เลิกก่อนสักหน่อยก็ดี ม, มีใครอยากจะถามไหมแถวนี้อ<ม>าก ม, มาที่พระอาจารย์รยู้อารผมไม่ค่อยเข้าใจครับนึกถึงความตายอยูวยว่าเราเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดา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 ตอนนี้ก็พิจารณาได้เดินทําอะไรกินอะไรอยู่ก็พิจารณาได้กินเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ตายนะเว้ยให้คิดนี้แล้วถามต่อไปอย่อางอการพิจารณานี่ยังทุกข์ขนาดนั้อเราสามารถที่จะพิจารณาได้ตลอดเวลาอา่ตาตลอดเวลานอกจากเวลาอยู่ในสมาธินนเท่านั้นถ้านั่งสมาธิ จ, จิตสงบไม่ไ ม, ไม่ไม่พิจารณาเพราะตอนนั้นจิตไม่คิดอยาไปพิจารณา แต่ออกจากสมาธิมาแล้วคิดได้ตลอดเวลาคิดว่าเราต้องตายคิดว่าเขาต้องตายคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยมมีมามีไปมีเกิดมีดับไม่ใช่ของเราคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเย็นจะสบาย้วไม่โลภจะไม่อยากได้อะไรจะไม่กลัวอะไรเยคยขับรถแล้วผมโหอะไรเงี้ย อก็ได้ก็ได้ก็อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราโมโหอ่าพอไม่คิดเดี๋ยวมันก็หายไปครับต่อไปครับอย่างเจเจจันทร์ว่าให้เข้าสมาธิได้สบให้ได้อะกนาสมาธิอะไรประมาณนี้อันนี้ควรทำบ่อยๆทช่ไหมากมากํทำห้ชำนาญก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาต่อไปเพราะถ้ามีความสงบมากๆจะจะใช้ปัญญาตัดกิเลสได้ ถ้าไม่มีความสงบ ม, มีปัญญาแต่ก็ตัดมันไม่ได้ไม้เป็นไรเดี๋ยวเนกออ ก, ก็ค่อยถามก็ได้อ่ไม่เข้ามาไหม ย, ยังก็ดีเราควรจะดูความอยากของเร า, เาให้เห็นคือพอมันเกิดความอยากเราต้องหยุดมันทันทีเราต้องเห็นโทษของความอยากว่านำไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่ไปนำไปสู่ความสงบ อย่าผมเวลานั่งเนี่ยพยายามสังเกต ด, ดูความอยากว่าตัวเองอยากจะดูอะไรใหม่ขอรู้ว่าจะไปดูอะไรเนี่ยพยายามเข้ามาให้อยู่แบบไม่อยากาแล้วก็ดูนิ่งๆให้อยู่เฉยๆให้ได้อย่าไปอยากทำอะไรอย่าไปอยากดูอะไรนอกจากทําในสิ่งที่เป็นหน้าที่จาเป็นต้องทำเท่านั้นอแต่ไม่ได้ทําด้วยความอยากคนเรายังมีหน้าที่ต้องทำอะไรอยู่ก็ทําทไปเนยังต้องทํางานก็ทําไปยังต้องกินข้าวก็กินไป อย่างต้องหายใจก็หายไปอย่างนี้เป็นหน้าที่ไม่เป็นไรอย่าไปทําตามความอยากการให้จิตอยู่ข้างในในของเท็ของร่างกายเรารับรู้อะไรประมาณนี้อันนี้ถือว่าเป็นการทำสมาธิได้ไเป็นการฝึกสติเป็ น, ปนให้ตให้ให้ไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับร่างกายเวลานั่งมันจะได้สงบได้ จะตื่นตลอดเวลาหนักเนี่ยคนจะไม่หลับคนจะตื่นก็ต้องรู้สึกตัวตลอดเวลานี่คือสติใช่ไหมครับอ่าสติเข้าใจนะนี่นดู ท, ทีวีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเก็นปัญหาไปคืออ่าเป็นตังเป็นความอยากไม่กดจะดูใช่แล้วก็มันจะเก็บไว้ในใจขอลเวาแล้วลนั่งหลงเรก็จะติดพันจะติดพันด้วย เวลาไม่ได้ดูก็จะงดหยิดนำผ่านใจต้องหยุดความอยากทางตาหูจะบูกลิ้นกายไปให้หมดอยากดู<ม>อยากฟังอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวอยากเล่นอะไรให้จิตจะได้สงบจะได้สบายไม่วุ่นวายมีเข้ามาแล้วครับอาจารย์อ่าเลย ถามอีกสักสองสามข้อดีไหมครับแล้วปัดเราปัดไปดีไครับคําถามจากคุณเลิฟนะครับสิ่งที่สําคัญในการเจริญเมตตามีหลักอะไรที่ช่วยให้ใจเราสามารถปฏิบัติได้ต่อเรื่องด้วยใจที่มีเมตตาจริงๆก็คิดถึงเขาเขาเราคิดว่าถ้าเราให้ความสุขกับถ้าเราให้ความสุขกับเขาเป็นเหมือนกับเวลาที่เขาให้ความสุขกับเรา เวลาขายให้ความสุขกับเราเราจะรู้สึกดีใช่ไหมดังนั้นการเมตตาก็คือการให้ความสุขกับผู้อื่นเราให้ความสุขกับผู้อื่นก็จะทําให้เราได้รับความสุขนั้นด้วยเพราะเวลาเราทําให้คนอื่นก็มีความสุขเราก็จะมีความสุขเวลาเราทําให้ผู้อื่นเขาทุกข์เราก็จะทุกข์ไปด้วยเราก็จะไม่สบายใจงั้นให้เขาให้เราคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราว่าทุกคนไม่ต้องการความทุกข์กันทุกคนต้องการความสุขกัน ความสุขก็เกิดจากการมีความเมตตาต่อกันความปรารถนาดีต่อกันแล้วก็จะทําให้เราอยากจะ ม, มีความเมตตาต่อกันละกันคำถามจากคุณแบงค์การถวายสังฆทานเวียนในวัดกับการซื้อสังฆทานใหม่มาถวายได้บุญเท่ากันไหมครับสาหรับผู้ถวายเท่ากันทางวัดก็อาจจะมีของพวกนี้ซ้ํำซากเยอะๆเหลือเกินถ้ารับมา ก็มีสองทางรับมาแล้วก็เอาไปเบอร์จากทางต่อหรือไม่งินกรรมธรรมสังฆทานเวียนแตจะได้มีรายได้ค่าวัดไปสำหรับอาจจะเอาไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นแทนเช่นอาจจะขาดค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรต่างๆที่ไม่มีคนถวาย <c oughs> ก็จะได้เอาไปใช้ในทางนั้นเอาไปสร้างกุฏิใหม่หรือไปซ่อมแซมกุฏิอะไรต่างๆซึ่งยังต้องใช้เงินทองอยู่แต่ญาติโยมนุษ ถูกสอนให้ถวายแต่สังฆทานอย่างเดียวก็เลยมีแต่กระแป้งเหลืองเต็มวัดเป็นหมดเวลาหลังคาล่วงก็ต้องเอาก็แป้งเหลืองมาลองมาลองน้ำํำถ้าถวายเงินซ่อมบํารุงวัดบ้างอางีแทนถวายก็แป้งนี่มันก็เวลากุฏิเสียหายจะได้มีเงินซ่อมกุฏิกันนั่นจะไปว่าพระผิดก็ไม่ถูกเพราะถ้าท่านทําด้วยเจตนาบริสุทธิ์นะไม่ได้ทําด้วยความโลภอยากจะได้เงินนะ เป็นการทำพราะว่ า, วายัางต้องเอาเงินนี้ไปทําอย่างอื่นที่จําเป็นต่อวัดเนี่ยเช่นเอาไปซ่อมกุฏิบ้างซ่อมอะไรบ้างหรือสร้างกุฏิใหม่หรือทําอะไรต่างๆที่กระแป้งนี้กระแป้งสังฆทานนี้ไม่สามารถเอาไปใช้ทําได้ก็เอามาเวียนเป็นเงินดีกว่าเอาไปมเป็นเวียนเป็นเงินแล้วเอาเงินนี้ไปทําประโยชน์ต่อไปเป็นเพียงกุศโลบายให้รู้สึกว่าโยอมได้ถวายของ ก็ยอมอยากถวายก็แปรงนั้นก็แล้วบางทียอมบางคนก็ขี้เกียจมาถึงวัดก็จะมาขอให้วัดจัดให้ก็มีเพราะเคยไปวัดที่เขาจัดให้เราอยากจะทําสังฆทานก็เลยวิ่งมาวัดเลยไม่ต้องแวะจอดซื้อตามร้านให้เสียเวลาพอมาถึงวัดวัดเขาก็มีจัดสังฆทานรอเวลาก็เพียงแต่จ่ายเงินแล้วก็เอาสังฆทานนี้ไปถวายพระพระใส่เก้าพระก็เอาสังเอาทอกแป้งนี้มาให้กับคนขายแล้วก็เอาเงินไปก็แากเปลียนกันไป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 หนูเลยลองใช้ขาตายทับขวารู้สึกนั่งได้นานกว่าจะเป็นรายใหม่คะก็ไม่มีอะไรที่ห้ามเนี่ยแต่เขาก็มีสูตรตายตัวว่าขวาทับซ้ายส่วนเราจะไปซ้ายทับขวาก็เรื่องของเราอาจจะเป็นเพราะว่าเราถนัดซ้ายก็ได้คนถนัดซ้ายอาจจะต้องใช้ซ้ายทับขวาก็ไม่มีไม่มีสูตรไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดคําถามจากคุณวราวุธนะครับ ติดผมปกติหรือเปล่าที่บางเวลาที่ผมไปในสถานที่บางแห่งซึ่งไม่เคยไปมาก่อนแต่พอเห็นเหมือนกับได้พบเห็นมาก่อนก็ไม่แน่อดีตชาติอาจจะเคยมาที่นี่มาก่อนก็ได้แล้วพอตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็พอมาเจอที่เก่าก็ทาให้มันจาได้ว่าเออเราเคยมาที่นี่อย่างนี้เป็นต้น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 วันนี้คำถามได้เต็มที่เลยนะเกือบสองชั่วโมงเลย